ไม่มีการกระทำใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการทำใจให้สงบเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้การกระทำต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขที่สูงสุดแก่ใจได้ ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อให้สร้างตึกสูงสองร้อยสามร้อยชั้นหรือพันชั้นต่อให้สร้างยานอวากาศส่งมนุษย ขึ้นไปตามดวงดาวต่างๆต่อให้สร้างอะไรทำอะไรที่สุดพิสดารที่มนุษย์เราจะสรรหามากระทำกันก็สู้การกระทำใจให้สงบไม่ได้เพราะการกระทำสิ่งต่างๆนอกจากการทำใจให้สงบนี่ จะไม่สามารถทำให้ใจได้พบกับความสุขที่สูงสุดได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้พบกับความสุขที่ถาวรได้ดับความทุกข์ได้อย่างหมดสิน้นคือไม่ได้รับไม่ได้พบกับ <c oughs> นิพพานาบาลังสุ ข, ขัง ไม่ได้พบกับนัตสันติปรังสุขขังนอกจากการทำใจให้สงบนี้เท่านั้นที่จะพบได้พบปรมังสุขขังคือบร ม, มสุขพบนัตสันติปรังสุขขังพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย อยู่ที่การทำใจให้สงบนี้เพียงอย่างเดียวดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ไปเสียเวลากับการกระทาต่างๆท่านพุ่งชีวิตจิตใจของท่านให้กับการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเคยทำอะไรต่างๆ เช่นเคยทำมาหากินหาลาภหายุทหาสารเสริญหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกมือกายท่านก็จะหยุดการกระทําเหล่านี้อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็มีลาภมียุทมีสรรเสริญ มีความสุขทางตาหูจมูกวินกายในระดับของพระราชามหากษัตริย์มีประสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยให้ตอบสนองความต้องการต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านกลับไม่เห็นว่ามัน ดีเท่ากับการทำใจให้สงบท่านจึงยุติการหาหรือการเสพความสุขเหล่านี้แล้วก็ออกบวชไปอยู่ในที่สงบสงบัดวิเวก ตามป่าตามเขาแล้วก็จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้สงบอย่างถาวร น, นี่แหละคือวิถีชีวิตหรือการดำเนินของนักราชทั้งหลาย นักปราชญ์ที่แท้จริงต้องดำเนินแบบนี้ถ้าเป็นนักปราชญ์แต่ยังแสวงหาราบยศเสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไม่ใช่เป็นนักปราชญ์จริงเล่นนักปราชญ์ทั้งหลายที่โลกเขายกย่องมีการมอบรางวัลต่างๆให้ เช่นรางวัลโนเบลให้แก่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่างๆพวกนี้เขาก็ยังไม่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ได้เข้าถึงปารมังสุขขังยังไม่เข้าถึงนาทิสันติบาลังสุขขังยังไม่สามารถ ดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นักปราดแบบนี้จึงไม่ใช่เป็นนักปราดที่แท้จริงเป็นนักปราบปลอมนักปราดจริงต้องเป็นนักปราดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอานนท์ตัสาวกทั้งหลายท่านเป็นนักปราดที่แท้จริง ท่านได้พบกับปามังสุขขังท่านได้พบกับนัตติสะนัตติสันติปารังสุขขังคือไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะสุขเท่ากับความสงบของใจท่านได้ดับความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงเพราะท่านจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปทุกย่อมไม่มี กับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากของรักของจารินใจทั้งหลายทั้งปวงนักบราชจึงพุ่งไปที่การไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป และการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวทำใจให้สงบแบบถาวรก็คือต้องขุดรากถอนโคนของต้นเหตุของความไม่สงบของใจก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราที่นำไปสู่ตัณหานำไปสู่ การเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับนี่แหละคือนักปราที่แท้จริงที่มีปัญญาที่แหลมคมที่สามารถมองเห็นรากเงาของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆและเห็นวิธีการกำจัด ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพื่อให้ใจสงบและพบกับปรมังสุขขังดังนั้นผู้ที่อยากจะเป็นนักปราชอยากที่จะได้พบกับปรมังสุขขังพบกับน ต, ต, สนติสันติปรังสุขขังก็จำเป็นจะต้อง พุ่งเป้าไปที่การทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ใจสงบคยแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมินกายก็จะเป็นจะต้องยุติ ถ้าทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อล่ำเพื่อรวยเพื่อจะได้ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะต้องหยุดการกระทำเหล่านี้ถ้าต้องทำก็ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคือการหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกาย เพื่อที่ร่างกายจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้นําร่างกายนี้มาสร้างความสงบของใจต่อไปถ้ามีมีปัจจัยสี่บริบูรณ์และมีมากเกินความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะ เก็บเอาไว้ควรจะสละไปแบ่งปันไปถ้าสามารถที่จะอยู่แบบนักบวชได้ก็จะดีเพราะจะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นมีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบ ก็ต้องมีศีลอย่างน้อยก็ต้องเป็นศีลแปดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความสงบของใจเพราะศีลห้านี้ไม่มีกำลังพอไม่สามารถกำจัดนิวรคือการมฉันทะที่จะเกิดกันไม่ให้เกิดความสงบขึ้นมา ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือช่วยเหลือช่วยกาจัดกามฉันทะกาจัดนิวรณ์ถือศีลแปดแล้วก็ต้องปรีกวิเวกเพราะถ้าอยู่ ใ, นในกล้กับกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จะ ทำให้เกิดกามชฉันทะขึ้นมาถ้าอยู่ใกล้รูปใกล้เสียงใก ล, ล้กลิ่นใกล้รสใกล้โพธพะพอได้สัมผัสรับรู้กามฉันทะก็จะออกมาทันทีเวลากามฉันทะแสดงตนก็จะเขย่าจิตใจทำให้ฟุ้งซ่านทำให้วุ่นวาย ทำให้เครียดดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะทําใจให้สงบจึงจำเป็นจำต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรดผุด พ, ทพะที่จะคอยยั่วยวนกวนใจทําให้ไม่มี สติไม่มีสมาธิที่จะทำใจให้สงบนี่คือการสร้างความสงบทางใจด้วยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เครื่องมืออันแรกก็คือทานให้ยุติการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แล้วก็ให้แบ่งปันทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่ไม่จาเป็นที่ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องใช้ไปให้หมดเพื่อจะได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมารักษาไม่ต้องมาจัดการเพราะถ้ายังต้องมาเกี่ยวข้องอยู่ก็จะเอาเวลาของการเจริญสติของการทำใจให้สงบนี้ไป ใจก็จะไม่สงบได้หรือสงบก็จะสงบยากและสงบช้ากว่าผู้ที่ไม่มีภาระเกี่ยวข้องกับทรัพย์ต่างๆเช่นนักบวชที่บวชแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่โผล่ออกมาตามบ้านตามเมืองนอกจากเวลาตอนที่ออกมาบินทบาทเท่านั้น เพราะเป็นความจำเป็นเวลาออกมาช่วงเบนทบายก็จะสํารวมอินซีสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ได้สัมผัสรับรู้ให้มีสติอยู่กับ กิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นคือการบินทบาทเท่านั้นพอเสร็จกิจบินทบาทก็รีบกลับสู่ที่ปลีกวิเวกทันทีและขณะที่ต้องบริโภคอาหารก็ต้องคอยควบคุมกามฉันทะไว้เพราะว่าเวลา บริโภคอาหารก็ย่อมเป็นจะต้องสัมผัสกับรูปของอาหารสีของอาหารกลิ่นของอาหารรสของอาหารถ้าไม่ระมัดระวังกิเลสตัญหาการมัฉันทะก็จะเกิดขึ้นมาได้ก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายใจกับการรับประทานอาหารได้ ถ้าได้รับอาหารที่ไม่ถูกใจไม่ถูกกามฉันทะก็จะไม่สบายใจไม่พอใจถ้าได้รับของที่ถูกใจก็จะรับประทานมากเกินไปแล้วก็จะติดจากจะได้รับประทานอาหารที่ชอบอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหาร ก็เกิดความหงุดหงิดนำขานใจขึ้นมาทำให้เจริญสติไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ดังนั้นแม้กระทั่งเวลาบริโภคอาหารถึงแม้จะอยู่ในป่าในเขาก็ต้องบริโภคแบบมีสติมีปัญญาถ้ายังมีกามะฉันทะ กับอาหารที่บริโภคอยู่ท่านก็สอนให้เจริญอาหารเปฏิกูลลสัญญาคือให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารในสภาพต่างๆนอกจากสภาพที่มีอยู่ในบารเท่านั้นให้พิจารณาเวลาที่เข้าไปในปากเวลาเคี้ยวเวลาบด เวลาผสมกับน้ำลายเวลากลืนเข้าไปในท้องและเวลาที่ขับถ่ายออกมาเหล่านี้เป็นอาหารทั้งนั้นอาหารที่มีการมะฉันทะเป็นผู้หลงไหลข้างใครอยู่ถ้าพิจารณาแบบนี้การมะฉันทะที่เกิดขึ้นก็จะดับไป หรือกรรมฉันทะที่ไม่ได้เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาวิธีฉันของพระท่านจึงฉันในบาทแล้วก็รวมอาหารทั้งหมดเข้าไปไว้ในบาทคืออาหารอันใดที่จะเข้าไปอยู่ในท้องท่านก็เอาไปใส่ไว้ในบาทสมมุติบาทว่าเป็นท้องแล้วก็ คลุกคนมันเข้าไปให้เหมือนกับอาหารที่เข้าไปอยู่ในท้องไม่ว่าจะเป็นของหวานของคราวเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่จะต้องเข้าไปอยู่ในท้องก็เอาไว้ใส่ไว้ไว้ในบาตรแล้วก็คลุกมันคนมันให้เหมือนกับอาหารที่อยู่ในท้องเลย แล้วก็รับประทานมันอย่างนั้นรับประทานมันอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีกามะฉันทะจะรับประทานอย่างสงบอย่างสบายใจแต่จะไม่มีความสุขเหมือนกับเวลารับประทานด้วยกามะฉันทะแต่ความสุขแบบนี้นเป็นความสุขที่เป็นโทษเพราะมันจะทำให้หลงไหลคลั่งไคล้ ทำให้ติดและเวลาที่ไม่ได้ ร, ร, รับประทานอาหารอย่างมีความสุขก็จะไม่พอใจไม่สบายใจก็จะเดินหาความสุขแบบนี้การเดินหาความสุขแบบนี้ก็จะทำให้ใจไม่สงบดังนั้นผู้ที่ตั้งต้องการความสงบของใจ จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่การบริโภคปัจจัยสีน่นี้บริโภคแบบให้เกิดการมันฉันทะก็ได้บริโภคแบบไม่เกิดก็ได้อย่างอาหารที่พูดนี้ต้องบริโภคแบบนี้ คือต้องคลุกอาหารมันเข้าไว้ในบาทเลยอาหารทั้งขาวทั้งหวานขนมนมเลยเครื่องดื่มต่างๆที่จะเข้าไปรวมกันในท้องนั้นเอารวมกันไว้ในบาทหรือในภาชนะแล้วก็ปากมันเข้าไปในปากเคี้ยวบดกืนแล้วก็พิจารณานึกภาพของอาหารที่กำลังผสมกับน้ำลายที่กำลังเคี้ยวกำลังบดอยู่ ถ้าอยากจะเห็นภาพชัดเจนก็ลองคายออกมาดูก็ได้ว่ามันอร็จอร่อยมันน่าดูอย่างไรหรือไม่ถ้านึกถึงสภาพของอาหารเหล่านี้จะไม่มีกามฉันทะเกิดขึ้นเวลาไม่ได้รับประทานอาหารก็จะไม่หิวเพราะความหิวส่วนใหญ่นี้ไม่ได้หิวที่ร่างกาย แต่หิวที่ใจหิวที่กามฉันทะนี่เองร่างกายนี้ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารก็จะรู้สึกอ่อนเพลียบ้างแต่จะไม่หิวโหวยความหิวโหวยนี้เกิดจากกามฉันทะถ้าเวลาเกิดกามฉันทะเกิดความหิวโหวยก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญยามาดับ ถ้าพิจารณาถ้านึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูของอาหารเวลาที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่ขับถ่ายออกมาความอยากจะรับประทานอาหารก็จะหายไปก็จะทำให้ช่วยในการใช้มาตรการเวลาอดอาหารเพราะถ้า บางครั้งบางเวลาหรือว่าปกติถ้ารับประทานอาหารอย่างปกติเวลาที่จะภาวนานี้จะง่วงเหงาเหานอนได้จะเกียจพล้านบางทีก็ต้องใช้มาตรการแก้ไขก็คือการผ่อนอาหารหรือการอดอาหา ร, หร อดทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างอาจจะดื่มบ้างของเหลวเช่นในช่วงบ่ายๆน้ำปานะน้ำผลไม้อะไรต่างๆที่อนุญาตให้ฉันได้ดื่มได้พอที่จะบรรเทาความอิดโรยของทางร่างกายแต่จะไม่ถึงตับทำให้ง่วงเหงาหานอน ผู้ที่ต้องการไล่ความเพียงผู้ที่ต้องการกําจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนมักจะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือเพราะเวลาอดอาหารแล้วนี่ความง่วงเหงาหานอนจะไม่มีความเกียจคร้านจะไม่มีความเพียนจะมาเองเวลานั่งก็ไม่ง่วงเหงาหานอนไม่สับประงก เวลาเดินก็ไม่รู้สึกขี้เกียจไม่อยากเดินจะเดินได้อย่างค่องแค่วว่องไวจะภาวนาจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเดินจงกรมเมื่อยก็กลับมานั่งสมาธิเวลาใจปรุงแต่งไปคิดถึงอาหารก็ใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง หรือใช้ปัญญาคืออาหารเลยปฏิกูลยสัญญามาสอนใจความหิวทางใจก็จะหายไปก็จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้การอดอาหารนี้จะบังคับให้ต้องภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเวลาใดที่ไม่ภาวนา เวลานั้นใจจะคิดปรุงแต่งไปถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความหิวโหยเกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ามีเครื่องมือไว้คอยแก้ไขเช่นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาหรือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบ พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วความหิวโหยที่เกิดจากการมัชันทะนี้ก็จะหายไปความอิ่มเหมือนกับได้รับประทานอาหารก็เกิดขึ้นมาจากความสงบของใจนี้เองนี่ลหละผู้ที่ต้องการภาวนาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการภาวนาจําเป็นจะต้องหามาตรการเหล่านี้มาบังคับใจให้ภาวนา มาป้องกันมาแก้นีวอณ์นต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการทำใจให้สงบนี้ถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วทำก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับขั้นต้นก็จ ะ, จะเจริญสติพอสติต่อเนื่องเวลานั่งจิตก็จะรวมสู่ อัปนาได้หรือสู่คณนิกะในเบื้องต้นแรกๆนี้จะเข้าสู่คณนิกะก่อนเข้าปร๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะรู้สึกมีความตื่นเต้นมหาตรจย์ใจจนไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นดีใจนั้นได้แต่พอครั้งต่อๆไปเริ่มรู้แล้วว่าเวลาจิตสงบเป็นอย่างไร และเวลาสงบจะรักษาให้สงบต่อไปอย่างไรก็จะพยายามรักษาให้สงบไปให้นานขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะสงบนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติว่ามีมากมีน้อยถ้าสติมีน้อยก็จะสงบได้ไม่นานถ้าสติมีมากเกิด จเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิสติที่ต่อเนื่องนี้ก็จะมีกำลังที่จะดันใจให้เข้าสู่ความสงบและอยู่ได้นานดังนั้นการจเจริญสติจึงเป็นเหตุที่สำคัญอย่างมากสำหรับการที่จะทำให้เกิดสมาธิ คือความสงบของใจขึ้นมาแล้วจะสงบได้นานสงบได้นานเท่าไหร่ก็ได้ความสุขได้นานขึ้นเท่านั้นได้เหมือนกับคนที่นอนได้พักผ่อนหลับนอนถ้าได้พักผ่อนหลับนอนไม่นานก็จะไม่รู้สึกว่ามีกำลังวังชามากไม่เหมือนกับคนที่ได้พักผ่อนหลับนอนมาก เวลานอนมากๆได้พักผ่อนเต็มที่จะรู้สึกสดชื่นแข็งแรงมีกำลังวังชาที่จะไปทาภารกิจการงานต่างๆถ้าได้นอนหลับเพียงเล็กน้อยเวลาตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกนอนไม่อิ่มนอนไม่พอกำลังวังชาเรียลแรงยังมีไม่เต็มที่เวลาไปทำงานทำการก็จะทำได้ไม่นานทำได้ไม่มาก ก็ต้องกลับมาพักผ่อนหลับนอนต่อดังนั้นในเบื้องต้นจึงควรจเจริญสติให้มากๆให้ต่อเนื่องให้เป็นสัมปะชัญญะให้มีสติและเลือกรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ในเบื้องต้นเวลาที่จเจริญสติถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าจะคิดก็ต้องคิดในเรื่องของปัญญาเท่านั้นคิดในเรื่องของไตรลักษณ์คิดในเรื่องของอสุภะคิดถึงในเรื่องของความตายของการดับของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิเป็นการเจริญสติด้วยปัญญาธรรมานุสติ ถ้าใช้การบริกรรมพุทธโธหรือใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการใช้สติทำใจให้สงบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามผลก็ต้องเหมือนกันคือจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเป็นเอกขัตารมสักแต่ว่ารู้ ว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆปราศจากอารมณ์ต่างๆตอนนั้นอารมณ์ต่างๆขาดไปจากใจไม่ว่าจะยังได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรือไม่ก็ตามแต่ใจนั้นไม่มีอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเฉย ๆ, ๆ นี่คือสมาธิที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญกันให้มากๆอย่าไปสนใจกับสมาธิแบบที่ปรากฏให้เห็นภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอาการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจให้กลับมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องต่อไป ถ้าบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธต่อไปถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจต่อไปถ้ากําหนดสติสักแต่ว่ารู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปตามรู้กับเรื่องราวที่มาปรากฏเหมือนกับนั่งดูภาพยนตร์ดูละครอย่างนั้นสิ่งที่มาปรากฏมันไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจ ไม่ได้เป็นกำฐานกำลังของวิปัสสนาของปัญญาถ้าไปเพลิดเพลินกับเหตุการณ์ต่างๆภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธินั้นเวลาออกจากสมาธิมานี่ก็จะเป็นเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเพราะจะไม่มีอุเบกขาความนิ่งความเย็นความสงบความสงายติดออกมาเลย เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทกับคนที่นอนหลับเล้าฝันไปคนที่นอนหลับสนิทนี้เวลาตื่นขึ้นมาจะสดชื่นจะมีกำลังวังชามีเรี่ยวแรงแต่คนที่นอนหลับฝันไปเวลาตื่นขึ้นมานี้จะไม่รู้สึกว่าสดชื่นหรือบางทีถ้าฝันร้ายก็อาจจะตื่นขึ้นมาด้วยความอิดโรยเหนื่อยก็มี ดังนั้นอย่าไปหลงกับมิจฉาสมาธิคือนิมิตต่างๆนอกจากนิมิตหรือภาพที่เป็นเป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้นเช่นเห็นความตายอย่างนี้เห็นใครตายก็ได้เห็นเราตายก็ได้เห็นคนที่เรารักตายก็ได้แล้วเราทําใจยอมรับกับความตายได้ ถ้าอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะต่อไปมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเวลาที่คนรักคนที่เรารักต้องจากเราไปหรือเวลาที่ร่างกายของเราจะต้องตายไปถ้าเราได้ซ้อมตายไว้ก่อนแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เพราะขณะที่เราอยู่ในสมาธิใจของเราจะไม่มีอารมณ์กับความเป็นความตายจะสักแต่ว่ารู้ได้รู้ว่าร่างกายของเราได้ตายไปแล้วตอนนี้เขาจับเอาใส่โรงแล้วตอนนี้เขาเอาเข้าเตาเผาแล้วตอนนี้ไฟเริ่มไหม้ร่างกายของเราแล้วไหม้ไปจนกระทั่งกายเป็นเศษกระดูกเศษขี้เถ้าไปถ้าใจ สามารถดูอย่างนี้ได้ด้วยอุเบกขาต่อไปเวลาเจอของจริงขึ้นมาก็จะรู้สึกเฉยเฉยพอได้ซ้อมได้ทำการบ้านมาแล้วนี่คือนิมิตที่มีคนมีประโยชน์แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักใช้นิมิตก็อย่างที่พูดไว้ว่านิมิตนี้ก็เป็นเหมือนกับมีดถ้าเราไม่รู้จักใช้มีด ไปหยิบมีดมาบิดหยิบไม่ถูกก็บาดมือได้เหมือนเด็กเราจะไม่ยอมให้เด็กจับมีดเพราะเรารู้ว่าเด็กยังจับมีดไม่เป็นแทนที่จะไปจับด้ามไปจับปลายไปจับปลายมีดเข้าเดี๋ยวก็ถูกมีดบาดเอาฉันใดนิมิตต่างๆที่ปรากฏใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้จักใช้นิมิตให้เกิดประโยชน์ให ให้เป็นปัญญาก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาเช่นได้เห็นนิมิต ท, ที่สวยที่งามได้ไปตามสถานที่ต่างๆที่วิจิตพิสดารเห็นแล้วเกิดความสุขอันนี้มันก็เป็นกามาฉันทะในใจโดยที่ไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องของมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิ ถ้าสมาสมาธินี้จิตต้องสงบรวมเป็นหนึ่งเอกขตาลมอุเบขาว่าไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นถ้ายังรู้ยังเห็นอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงอัปปนาต้องต้องบริกรรมต่อไปต้องเจริญสติต่อไปจนกว่ามันจะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ แล้วการบริกรรมการ <c oughs> ดูลมก็จะหายไปหยุดไปเองแล้วเวลาอยู่ในความสงบก็ยังไม่ใช่เวลาที่จ ะ, จะเจริญปัญญายังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำนมไฟ จะพิจารณานี้ต้องรอให้จิตถอนออกจากสมาธิก่อนออกจากความสงบก่อนพอออกจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุงแต่งเริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผัพะจึงค่อยดึงออกมาคิดทางปัญญาเบื้องต้นก็ให้คิดที่ร่างกายเราก่อนหรือให้คิดอยู่กับสิ่งที่เรายังรักยังหวงอยู่ ถ้าเรายัางรักยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยังหวงลาบยศจัลศเสริญยังหวงรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะชนิดนั้นชนิดนี้อยู่หรื อ, อยังติดอยู่ก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งนั้นๆให้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันจะเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่ได้เจกไม่ได้สัมผัส ในเวลาที่สูญเสียสิ่งที่รักไปสิ่งที่ชอบไปให้พิจารณาอย่างนี้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเป็นธรรมดาเรียกว่าอานิจังเราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเรียกว่าอนัสตาถ้าไปอยากให้เขา อยู่กับเราไปตลอดอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการพอเขาไม่เป็นเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกเพราะความอยากไม่ได้ทุกเพราะว่าเขาเป็นอนิจจังหรือเป็นอนัตตาทุกเพราะว่าเราฝืนเราไม่ยอมให้เขาเป็นอนิจจังไม่ยอมให้เขาเป็นอนัตตาเราต้องการให้เขาเป็นนิจจังเป็นอัตตาเราต้องการให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่จากเราไป ไม่ต้องการเราต้องการให้เขาอยู่ภายใต้คำสั่งของเราพอไม่ได้เป็นดังที่ใจต้องการก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องหมดไปเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราก็หยุดความอยากเสียปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่ไป เขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไปเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยถ้ายัางพอจะทำอะไรได้อยู่ก็ทำไปแต่ก็ต้องรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะถึงขีดที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีพอถึงขีดนั้นแล้วต้องปล่อยถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยจะทุกข์นี่คือการเจริญปัญญา กับสิ่งต่างๆที่ใจไปมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันมีอุปทานมีตัณหาความอยากต้องพิจารณาตายละถึงจะตัดอุปทานตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกร่างกายคือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหรือจะเป็นร่างกายก็ดี ร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหรือเธอมีความรักมีความคร่ในร่างกายของผู้อื่นก็ต้องพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่นเพื่อที่จะได้กําจัดกามอารมณ์อสุภะนี้ส่วนใหญ่เราดูร่างกายของผู้อื่นถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของกามอารมณ์เพราะว่าเราไปเห็นว่าเขาสวยเขางาม จึงเกิดการมารมณ์ขึ้นมาถ้าเราต้องการรักษาศีลของเราคือศีลของนักบวชเช่นศีล8หรือศีล227หรือศีล10นี้ถ้าไม่มีการเจริญอสุภาะแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดการมารุมขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ผู้ที่เป็นนักบวชทั้งหลายจึงจําเป็นจะต้องเจริญอสุภะกรรมฐานอยู่เรื่อยๆเพื่อคอยกําหลาบคอยกําจัด กามราคะกามารมณ์ต่างๆเวลาที่ไปเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยที่งามที่น่ารักที่น่าชื่นชมยินดีนะอันนี้ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าดูดูสภาพอันที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเช่นเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาตายไปเป็นอย่างไรตายไป สามวันเป็นยังไงขึ้นอืดพองขึ้นมาเป็นอย่างไรเวลาเน่าเฟะแตกเซกเอาไว้ว่าต่างๆแตกออกมาเป็นอย่างไรน้าน้ำอะไรต่างๆไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นออกมาเป็นอย่างไรต้องพิจารณาแบบนี้ถึงจะทำให้ดับกา ร, ารมะลมได้จะสามารถอยู่แบบนัก บ, บวชรักษาศีลของผู้ปฏิบัติทําได้ ถ้าไม่มีอสุภกรรมฐานนี้อาจจะถือศีลได้สามวันเจ็ดวันแล้วก็ขอลากลับบ้านกลับไปหาแฟนคิดถึงแฟนอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงฟากนู้นได้พ า, ายเรือไปครึ่งทางก็ขอพายกลับกลับมาฟากนี้อีกแล้วถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากจะกลับมาหาผีดิบผีเดินได้ถ้าไม่พิจารณาก็จะคิดว่ากลับมาหาเทพประบุเทพธิดานี่คือเรื่องของปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาไม่ควรปล่อยให้ใจคิดไปตามทางของกิเลสคิดไปทางความโลภความอยากต่างๆ ให้พิจารณาตายลั์พิจารณาอาสุภะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาธาตุสี่ถ้าเรามีความรู้เหล่านี้อยู่แล้วมันจะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความกลัวได้หยุดความความกลัวก็เป็นความอยากแบบหนึ่งกลัวตายก็เพราะว่าอยากอยู่ไม่อยากตายแต่ถ้าพิจารณาว่ามันต้องตาย แต่สิ่งที่มันตายมันไม่ใช่เราเราไปกลัวทําไมมันเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เท่านั้นเองแล้วมันก็ตายกันทุกคนมีใครไม่ตายบ้างไปงานศพที่ไลน์ก็เห็นแต่คนตายทุกทีอแล้วที่ตายมันเป็นอะไรมันก็เป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเนี่ยคือการพิจารณาด้วยปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมา ถ้าพิจารณาไปได้แล้วสักระยะหนึ่งจิตเริ่มทะเลทลายย่อมไม่ยอมพิจารณาทางปัญญาเริ่มไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่แสดงว่ากำลังหมดแล้วกำลังของสมาธิอุเบกขาหมดแล้วกิเลสปัญหาเริ่มออกมาก่อกวนแล้ว เริ่มอยากจะไปทํานุ่นทานี่ดูนั่นดูนี่ฟังโน่นฟัง น, ôn, งนี่ตอนนั้นก็ต้องหยุดการเจริญปัญญากลับไปเข้าไปในสมาธิใหม่ด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการดูลมหายใจหรือว่าด้วยการเจริญสติกำหนดถ้ามีกำลังมากๆเพียงแต่กำหนดให้ใจนิ่งๆไม่คิดอะไรคอยเฝ้าดูความคิดเวลาคิดก็หยุดมันหยุดมัน เดี๋ยวมันก็สงบได้อันนี้แล้วแต่ความชำนาญของผู้ที่ได้จเจริญสมาธิมาจะคล่องแคล่วว่องไวจะรู้วิธีเข้าได้อย่างง่ายดายว่าทาอย่างไรดังนั้นก่อนที่จะออกทางปัญญาก็ควรที่จะฝึกสมาธิให้ชนานาญให้คล่องแคลว่วก่อนให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาถ้าเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้าง เวลาออกมาเจริญปัญญาแล้วจิตมันพยศก่อความฟุ้งซ่านขึ้นมาอาจจะไม่สามารถดึงมันโดยหยุดความฟุ้งซ่านัันได้เพราะไม่รู้จักวิธีกลับเข้าไปในสมาธิอันนั้นควรเถกสมาธิให้ชำนองเรื่องปัญญาค่อยตามมาค่อยเป็นค่อยไปเอาสมาธิให้มันแน่นให้มันคล่องแคล่ว สามารถเข้าได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการจะเข้าแล้วค่อยออกมาเจริญทางปัญญาเจริญพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกปัญญากำจัดไปเป็นทั้นขั้ น, นไปขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีขั้นของพระอนาคามีขั้นของพระอรหันต์นี่ก็มีปัญหาด้วยกันทุกขั้น ต้องเห็นอริยสัจ ส, สี่ในทุกขั้นเห็นว่าตอนนี้ใจทุกข์เพราะตัณหาแบบนี้ของขั้นนี้ใจทุกข์เพราะตัณหาแบบนี้ของขั้นนี้มีเป็นขั้นขั้นไปตัณหาแต่ละขั้นนี้จะไม่เหมือนกันพอปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเจอเองของพวกนี้ตัณหาเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นค่าศึกศัตรูที่คอย คอยที่จะทำลายสังหารเราเวลาที่เราเดินทางไปสู่พระนิพพานมันจะคอยดักอยู่ข้างทางแล้วคอยออกมาสกัดกั้นไม่ให้เราได้เดินทางไปอย่างสะดวกราบเรื่นง่ายดายมันจะมีอยู่ทุกขั้นมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันตัญหาทั้งหลาย มันก็อยู่ในกรอบของการตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี่องแต่เป้าหมายของมันมันต่างกันไปแต่ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็จะรู้เองจะเห็นเองว่าจะเป็นตัญหาแบบไหนและจะแก้อย่างไรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยไตยรักนี่แก้ด้วยอสุภะแก้ด้วยอาหาเลยปฏิกูลสัญญาแก้ด้วย อาสุปาแก้ด้วยธาตุสี่มันก็มีเท่านี้แหละถ้าเห็นธรรมเหล่านี้แล้วก็จะสามารถที่จะกําจัดทําลา ย, ขา อ, ยขาาอข้าศึกศัตรูที่คอยขวางกั้นไม่ให้ไปถึงพระนิพพานได้พอาะข้าศึกศัตรูที่คอยขวางกั้นถูกทําลายหมดแล้วจิตก็ถึงพระนิพพานเองแถึงในที่สุดถึงปรมังสุขถัง ถึงปรมังสุญญ์อย่างนี่คือความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงที่สูงสุดความดับทุกข์ที่ถาวร อ, อยู่ที่พระนิพพานนี้เองอยู่ที่ปรมังสุขขังอยู่ที่นิบานนนบานังปรมังสุญญงนิบบานังปรมังสุขขังนี้เองเกิดจากการที่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการทำใจให้สงบสละทรัพสมบัติสละข้าวของเงินทองสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงสละแล้วก็ออกบําเพ็ญอยู่แบบนักบวชถือศีลของนักบวชเจริญสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจเข้าสู่สมาธิพอชำนาญ ในทางสมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาพิจารณ า, าทำทั้งหลายความจริงทั้งหลายเช่นตายลักเช่นธาตุสีเช่นอสุภะเช่นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาไปแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ทำลายข้าศึกศัตรูคือตันหาต่างๆที่คอยสกัดกั้นการให้จิตเดินไปถึงพระนิพพาน แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่มีกิเลสตัวไหนตัณหาตัวไหนที่จะมีอํานาจที่จะต่อต้านกับพลังของธรรมได้ธรรมย่อมชนะอธรรมเสมออธรรมก็คือกิเลสตัณหานี่เองธรรมก็คือปัญญาที่เราเจริญกันเพื่อให้เห็นความจริง แล้วก็ใช้ความจริงนี้มาทำลายความหลงมาทำลายความทำลายของปรอมทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดเวลาถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแม้จนบัดนี้ใจของท่านก็ยังอยู่ยังมียังเป็นยังสงบอย่างนี้อยู่ ใจของพวกเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุราภิเรกปุเรนติสักขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยทามณิโชติอราโสยทาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีิตธานิจังวุทธาปจายโน จตารธร ม, มาวาทามติอายุวนโนสุขังภลั ง, งเราต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้าไม่มีก็จะให้ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่อไปไถามไหมครับนนครับครับต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามมานะครับในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนและเมื่อทำกิจกรรมต่างๆให้ทำความรู้สึกกับ ออริยาบทนั้นๆหรืออยู่กับลมหายใจคะและต้องมีคำบริกรรมหรือไม่โดยทั่วไปถ้ายืนนั่งนอนโยมมักจะอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเดินโยมจะทำความรู้สึกตัวที่การเดินถ้าล้างหน้าหวีผมกินข้าวความรู้สึกก็จะอยู่ที่การกระทำนั้นๆแต่ถ้าไปทำฟันพยายามให้ความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจ แต่กลับจะไปอยู่ที่มือหมอที่กําลังทําเพราะมันชัดกว่าและเพราะเจ็บอย่างนี้ไม่ถูกใช่หรือไม่คะเราควรดึงกลับมาที่ลมหายใจหรือเปล่าคะจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ใจเราสงบใจเราไม่พุ่งแต่งไม่คิดถ้าอยู่ที่ไหนแล้วใจมันนิ่งเป็นอุอเบกขาก็ใช้ได้ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณสิณีนะครับฝึกเจริญมรณะนุสติอยู่เรื่อยๆจนคิดว่าน่าจะไม่กลัวตายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนจะกลัวมากว่าตายแล้วจะไปไหนถ้าจิตดวงสุดท้ายคิดไม่ดีเช่นจะไปอบายก่อนแต่พอเจอเหตุการณ์จริงว่ายน้ำอยู่ในสระเปิดแล้วมีฝนตกฟ้าแลบจิตตกใจ เห็นร่างกายตะเกียรตะกายไหว่ไม่เป็นท่าเลยเนื่องจากเกรงว่าฟ้าจะผ่าลงมาก็เลยเข้าใจว่าที่ฝึกมายังใช้ไม่ได้เลยต้องฝึกสติหรือสมาธิด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะและถ้ากรณีที่ฟ้าผ่าลงมาจริงๆหรืออุบัติเหตุกระทนหันควรใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยไหมคะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราคือปล่อยไปเลยถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็เหมือนกับใช้อาวุธต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเรามีอะไรก็ต้องใช้ชักออกมาใช้เหมือนในตอนนั้นเลยมีมีดก็ต้องใช้มีดมีปืนก็ต้องใช้ปืนตอนนั้นเรามีอะไรก็ต้องใช้เหมันมีสติก็ใช้สติมีปัญญาก็ใช้ปัญญาแล้วแต่เราจะมีถ้าไม่มีก็ก็สอบตกก็ถูกเขาฆ่าแทนที่เราจะฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราถึงบอกว่าต้องพยายามสร้างอาวุธไว้ ให้มีอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาการพิจารณาอย่างต่อเนื่องนี่แหละเป็นเหมือนกับการมีอาวุธคู่มืออยู่คู่กายพอถึงเวลาจะใช้มันก็จะใช้ได้ทันทีแต่ถ้าไม่พิจารณาเลยพอถึงเวลามันก็พิจารณาไม่ออกลงไม่ลงแล้วถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำใจให้นิ่งไม่ได้มันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิเพื่อทาใจให้นิ่ง สองมีทั้งปัญญาเพื่อให้ปลงให้ปล่อยมันต้องมีทั้งสองส่วนมันถึงจะสมบูรณ์ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะไม่สมบูรณ์ถึงแม้เคยทำสมาธิได้แต่เคยทำสมาธิในที่ไม่มีภัยพออยู่ในที่มีภัยสติอาจจะแตกไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้สงบได้แต่ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาด้วยนี้มันจะช่วยกัน จติตจะแตกพอปัญญาเข้ามาปับมันก็ยอมรับได้ว่าปล่อยดีกว่าไม่ปล่อยแล้วไม่ทุกข์ถ้ายึดแล้วจะทุกข์มันจะเห็นชัดเจนในขณะนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ก็รีบทำการบ้านเสียเตรียมตัวไว้ พอถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องสอบจะได้สอบได้อย่าเป็นแบบนักเรียนที่รอให้วันพรุ่งนี้สอบแล้วค่อยวันนี้ค่อยมาดูหนังสือกันมาติวกันทั้งคืนตื่นเช้าเข้าห้องสอบก็ง่วงจำอะไรไม่ได้เลยสอบตกคำถามข้อต่อไปจากคุณคัดนานนวัดนะครับการบ่มอินซีให้แก่ก้า มีวิธีปฏิบัติอย่างไรและจะส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมอย่างไรคะก็อย่างที่สอนมาตลาดนี่ก็เป็นการบอกอินซีให้เจริญสติสมาธิปัญญาอินซีก็มีอยู่หมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเราก็มีแล้วถ้าเรามีวิริยะเราก็จะเจริญสติสมาธิปัญญาไป พอเราบ่มไปเรื่อยๆอินทรีย์ก็จะกลายเป็นพละขึ้นมาเป็นพลังขึ้นมาพอเป็นพลังแล้วก็เทนนิสเเลตก็ตายหมดมันไม่ตายด้วยอินทรีย์แต่มันจะตายด้วยพลังเราจึงต้องบ่มอินทรีย์ให้กลายเป็นพลังขึ้นมาจากอินทรีย์ห้าให้เป็ น, ปนพละห้าคำถามข้อต่อไปจะกคุณไก่นะครับ ผมได้นั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธนั่งไปได้ระยะหนึ่งพุทโธหายไปและลมหายใจเหมือนจะหมดด้วยแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับที่จะไม่ให้คิดถึงเรื่องลมหายใจหรือมีแนวทางใดบ้างที่จะแนะนำช่วยอธิบายด้วยครับถ้าเรามีสติแล้วเรารู้ว่าลมหายใจหายไปก็ให้รู้อยู่ว่ามันหายไปเท่านั้นเอง แล้วก็อยู่กับการไม่มีลมไปให้รู้กับการไม่มีลมไปให้รู้ว่าตอนนี้เราคิดมุงแต่งหรือเปล่าถ้าเรามีสติมันพอมันคิดเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวมันคิดมุงแต่งขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันก็จะคิดได้ยันขอให้เราประคับประคองสติไว้ให้ดีเวลาที่ไม่มีลมแล้วก็ให้อยู่กับความว่างไปอยู่กับความไม่มีลมไปแล้เดี๋ยวจิตมันก็จะ รมเข้าสู่ความสงบของมันเองอย่าไปก้านหาลมถ้าลมไม่มีเราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็ให้รู้ว่าไม่มีลมให้เราสัมผัสรับรู้แต่อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปตกใจว่าเราไม่มีลมหายใจเราจะตายหรือเปล่าบางคนมาถึงจุดที่ไม่ไม่ไม่เห็นลมไม่รู้ลมก็คิดว่าเดี๋ยวจะตายก็เลยรีบหายใจแรงๆกลับมาหาลมใหม่ถ้าอย่างนี้มันก็จะ ทำให้จิตที่กำลังจลเจรียดนั้นหยาบกลับมากลับขึ้นมาใหม่นั้นให้รู้เฉยๆให้สังเกตวก่ารู้มีลมก็รู้ว่ามีไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีแล้วก็อยู่กับการไม่มีลมรู้อยู่กับการไม่มีลมไปเหมือนเราลอยในกลางอาวกาศนี้ไม่มีอะไรให้เราเห็นรับรู้เราก็อยู่กับความว่างไป คำถามข้อต่อไปจากคุณพิชายานะครับกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามวิธีการฝึกอัดทิกสัญญาว่ามีขั้นตอนการฝึกอย่างไรบ้างคะอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนะี่ยต้องไปถามอาจารย์กูเกิลแล้วมั้งคำถามข้อต่อไปจากคุณวิเชียนนะครับผมขอเรียนถามว่าสมัยพุทธกาล พระพาหิยะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ยังเป็นค้ารืหัดจากการฟังธรรมพระาศาสดาในปัจจุบันค้ารืหัดมีฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้ายังสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนสมัยพุทธกาลได้หรือไม่เพราะอะไรครับได้ถ้ามีมีอินทรีย์และมีพระห้าที่แก่ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญา ที่สามารถที่จะน้อมนําเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้ก็บรรลุได้อยู่ที่ธรรมท่านั้นเองอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาผู้ใดมีสติมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คําถามข้อต่อไปเป็นคําถามฝากถามจากคุณทิพย์นะครับ ถ้าเรากำลังได้รับทุกเวทนาอย่างสาหัสทางกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเราต้องพิจารณาอย่างไรคะจึงจะพ้นจากความเจ็บปวดจากโรคภัยคือมันมีความเจ็บอยู่สองส่วนด้วยกันคือความเจ็บทางร่างกายและความเจ็บทางใจความเจ็บทางร่างกายนี้เราไปทำอะไรไม่ได้นอกจากกินยาหรือปล่อยให้มันหายเอง แต่ความเจ็บทางใจนี้เราหยุดมันได้ดับมันได้ถ้าเราทำใจให้สงบด้วยการทำสมาธิก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องของความเจ็บของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแล้วใจเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการบริกรรมตอนนั้นใจก็จะหายเจ็บ ส่วนความเจ็บของร่างกายก็จะหายไม่หายนั่นก็สุดแท้แต่บางทีก็หายไปด้วยบางทีก็ไม่หายใจก็บางทีรับรู้ความเจ็บต่อไปหรือว่าไม่รับรู้เลยถ้าสงบมากๆก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยถ้าสงบแบบไม่เต็มที่ยังรับรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของความเจ็บอยู่ใจก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับ ความเจ็บของร่างกายเพราะฉะนั้นใจเป็นอุเบกขาสงบไม่มีอารมณ์กับความเจ็บนี่เป็นอุบายของสมาธิคือการใช้การบริกรรมสติบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอีกวิธีหนึ่งก็วิธีวิปัสสนาก็คือปัญญาใช้ใช้ปัญญามาสอนใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นผู้เจ็บใจไม่ได้เจ็บเหมือนเราเจ็บเพื่อนเราที่อยู่กับเราเขา เพื่อเราเขาเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บนแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นเขาเราก็เลยไปเจ็บแทนเขาเราต้องแยกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้เจ็บผู้รู้อย่าไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะถ้าอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางใจเจ็บทางใจขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจ ทุกเกิดจากสมูทัยก็คือความอยากอยากให้เวทนาของร่างกายหายไปแต่เวทนาของร่างกายจะหายไม่หายไม่ได้อยู่ที่ความอยากอยู่ที่เหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกขเวทนานั้นเกิดขึ้นมาถ้าเหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกขเวทนาของร่างกายหายไปมันก็หายเจ็บเช่นเป็นไข้ด้วยติดเชื้อโรคอะไรต่างๆพอกินยาฆ่าเชื้อโรคเข้าไปพอเชื้อโรคหมดจากร่างกาย ไข้มันก็หายไปแต่เราไม่สามารถที่จะไปให้มันหายได้ด้วยความอยากของเราเองแต่เรากลับสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็คือความเจ็บของใจและความเจ็บของใจนี้มันรุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายเป็นสิบต่อหนึ่งที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เพราะความเจ็บของใจแต่ไม่รู้จักวิธีดับความเจ็บของใจจนกว่าจะมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ย เราถึงจะรู้จักวิธีดับความเจ็บของใจแล้วทำให้เราทาให้ใจของเราอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานก็มีสองวิธีถ้าใช้สติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปและวิธีนี้มันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆเวลาทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก่อความเจ็บทางร่างกายขึ้นมาถ้าไม่อยากใช้ทุกข์ใจก็ต้องบริกรรมไปให้ใจสงบอีกวิธีหนึ่งก็คือวิปัสสนาหรือปัญญานี้ มันจะแก้ปัญหาดา บ, บถาวรคือต่อไปมันจะไม่กลัวความเจ็บเพราะมันรู้แล้วความเจ็บมันนิดเดียวมันจิ๊บจ้อยไอที่มันน่ากลัวคือความเจ็บของใจเองที่เกิดจากความอยากของใจเองแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อการเจ็บของร่างกายต่อไปคําถามข้อต่อไปจากผู้ปฏิบัติฝากถามมานะครับ อยู่ในบ้านที่วุ่นวายจากเสียงรบกวนและเรื่องต่างๆของคนในครอบครัวจะใช้วิธีไหนในการเจริญภาวนาหรือทำสมาธิถ้าไม่ต้องการได้ยินเสียงก็เอาอะไรมาอุดหูอะไรอุดหูเสียมันก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างเครื่องหูฟังต่างๆนี่แล้วอุดมันเข้าไปในหูเสียงข้างนอกมันก็ไม่เข้ามาแล้ววิธีหนึ่ง หรือวิธีหนึ่งก็ต้องเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปสนใจกับเสียงต่างๆอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องออกจากบ้านไปไปไปปลีกเวกไปอยู่คนเดียวอย่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือปลีกเวกแล้วก็อยู่คนเดียวจนกว่าทําใจให้เป็นอุบเบกขาไม่เดือดร้อนกับเสียงต่างๆแล้วที่จะกลับไปอยู่กับใครก็อยู่ได้ แต่ถ้าออกมาแล้วก็จะไม่อยากจะกลับไปแล้วเหมือนคนที่ออกมาจากกองไฟแล้วอยากจะกลับเข้าไปหรือเปล่าคำถามข้อต่อไปอเขาขอมานะครับอาจจะไม่ใช่คำถามเท่าไหร่แต่อาจจะกระทบหลายท่านนะครับจากคุณเลวัตเลยหยุดนะครับพระอาจารย์ครับช่วยเทศเรื่องการพนันหวยด้วยว่าผิดศีลและมีโทษอย่างไรบ้าง เพราะผมเห็นโทษจากการพนันหวยเยอะมากคนไทยก็เล่นกันเยอะโดยเฉพาะคนจนกับจนลงไปอีกแต่พอผมโพสต์ข้อความเรื่องหวยว่าผิดศีลและเป็นบาปผมก็โดนว่าอีกแล้วก็หาว่าผมลงทุนซื้อหุ้นก็การพนันผมก็เลยไม่พูดดีกว่าต่างเหตุต่างผลกันก็เลยอยากให้ผ้าจานช่วยเทศเรื่องนี้จะได้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องครับ คือความจริงการเล่นการพรนันนี้ไม่ผิดศีลนะมันไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในศีลห้ามันเป็นอยู่ในอบายอบาย5อบายนี้เป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การกระทำบาปต่อไปเช่นเล่นการพรนันแล้วขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมศินมาเล่นต่อกู้เขาแล้วก็ไม่สามารถใช้เงินก็ได้ถ้าถูกข่มกู่มากๆก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ ไปป้นไปจี่เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี่อันนี้คือปัญหาที่จะนำไปสู่การกระทำบาปต่อไปแต่ตัวตัวอบายามุขเองนี้มันเป็นเพียงตัวเหมือนกับสื่อเป็นชนวนชนวนที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปถ้าเราอยากไม่ต้องการจะทำบาปก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายามุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืน กบคนชั่วเป็นมิตรความเกียดข้านการกระทำเหล่านี้มันจะทำไปสู่การกระทำบาปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสุราใส่เข้าไปในศีหน้าด้วยเพราะว่าถ้าไม่พอสีหน้าเพราะการดื่มสุราที่ทําทให้ไม่มีสติพอไม่มีสติแล้วจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะไม่มีการยับยัง้งคนที่จะไปทําบาสมักจะไปดื่มสุรายอมใจก่อนเดี๋ยวเมื่อมันเมาก่อน ก็จะได้ไม่มีสติที่จะไปะยับยั้งความคิดที่ดีความคิดที่จะมาหาักข้ามการกระทำบาปได้ฉะนั<ช>้น <c oughs> เรื่องของการมานันก็มันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนสึกันและกันหรือจะมอง อ, อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าเป็นการาแบ่งปันกันก็ได้ <c oughs> แล้วก็ถือว่าดวงใครดวงมันโชคใครโชคมัน <c oughs> ใครดวงดีก็เาไปอย่างที่เราซื้อสลากกินแบงนี้เราก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปให้คนที่เขาถูกถ้าเราถูกแล้วก็ได้มาแต่มันไม่ใช่เป็นวิธีการหาเงินที่ที่แน่นอนเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกดังนั้นการถ้าเราจะต้องหากินวิธีนี้เราอาจจะ อดตายก็ได้งั้นสู้ไปทํางานดีกว่าถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่มากมันก็ยังแน่นอนกว่าแต่ก็มีคนจํานวนมากครับอาจารย์ที่อ้างว่าอการพนันไม่อยู่ในศีนห้าครับแล้วก็ทําทต่อไปครับอาจารย์ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ในสีห้าไงแต่ว่ามันจะทําให้ต้องไปทำบาปต่อไปเวลา หมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงคนอื่นว่าจะขอยืมแล้วก็ไม่รู้ ท, ท, ทั้งที่รู้ว่ายืมมาแล้วก็คงยังไม่ได้ใช้หรือไม่เชนั้นก็ต้องไปลักขโมยหางเงินมาเล่นเขาว่าการเล่นการพนันเนี่ยมันโหดร้ายกว่าการให้ขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมันก็เอาไปได้แค่ทรัพย์สินแต่บ้านมันเอาไปไม่ได้ แต่เล่นพนันนี่เจ้งมันก็ขายบ้านได้ไฟไม้บ้านก็ยังยังไม่ร้ายเท่ากับการเล่นการมา น, นันเพราะไฟไหม้มันก็ไม่แต่บ้านมันไม่ที่ไม่ได้แต่เล่นการพ น, นันนี่มันขายหมดเลยแล้วนอกจากขายบ้านขายที่ดินแล้วขายตัวขายชีวิตอีกไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วใช้เขาไม่ใช้เขาไปเจอคนที่มีที่พลเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเรอ หรือไม่งั้าต้องหนีเขาไปฆ่าตัวตายกันก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเสี่ยงกับของเหล่านี้มันเหมือนกับไปเล่นกับไฟได้ไม่คุ้มเสียเวลาได้มาง่ายก็จะใช้ง่ายได้มาก็ใช้กันแบบซู่ยลุยสุ่ยไล่ถลุงกันแล้วในที่สุดก็หมดอยู่ดีซู่ไปทํางานด้วยอาชีพสุดจริตอดออมฮะ เก็บมาได้มากได้น้อยก็หัดเก็บเอาไว้สำรองเอาไว้พอมีจํานวนมากก็เอาไปลงทุนเพิ่มเติมต่อไปมันก็ร่ํารวยขึ้นมาได้ลองไปศึกษาประวัติของคนร่ารวยทั้งหลายเขาทําแบบนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้เล่ขาไม่ได้รวยเพราะการเล่นการมา น, นันแม้แต่รายเดียวเขารวยเพราะเขามีความขยันทํา ม, มาหากินขยันเกบเ็บเงินเก็บทองที่เขาหามาได้เห็นไหมคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยในปีหนึ่งเขาหยุดการกี่วัน สามวันสี่วันตุจีนเออเหล่านั้นทําหมดเลยเนเขาถึงร่ำรวยกลายเป็นเจ้าสัวขึ้นมากันอันนี้แหละเราควรจะศึกษาประวัติของคนเหล่านี้แล้วไปดูได้มีประวัติของคนที่เป็นการพนันแล้วร่ำรวยขึ้นมาั้มมีไหมวันนี้คำถามน้อยแลหและบ่นเจ้วเลยอาจารย์ครับแล้วอาชีพปล่อยเงินกู้ครับรอาจารย์หัก ปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่มาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยเป็นบาปไหมครับแล้วถ้าปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่สูงจนคนอื่นเดือดร้อนก็บาบเหมือนกันใช่ไหมครับอาารก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาผลตอบแทนมากหรือน้อยถ้าเรากู้โดยที่ไม่มีดอกเลยเราก็เป็นได้กเท่ากับได้าทาบุญฮสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาก็ เ, าเดือดร้อนเขาต้องการเงินแต่เราไม่คิดค่าบริการ เงินที่เราให้เขายืมไปอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญเพราะว่าเราเหมือนกันเราไม่ต้องการเอาดอกเราเอาดอกนี้ให้เขาคืนเขาไปก็เหมือนกันเราได้ทำทานแล้วงั้นการกู้เงินการให้กู้เงินนี้ก็มีทั้งแบบเทวดาให้กู้หรือ อ, อะไรผู้ร้ายให้ก็้หรือว่าเปรดให้กู้ถ้าเปรดก็จะเอาเอาดอกเยอะๆร้อยละสิบเนี้ยต่อเดือนนะไม่ใช่ร้อยละสิบต่อเดือนอย่างนี้ก็เรียกเปรดเปรดให้กู้ไม่มีความเมตตาร้อยความเมตตามีแต่ความโลภอยากจะได้เงินของเขามากๆโดยไม่คิดถึงหัว อ, อกหัวใจเขาบ้างว่า ถ้าเราเป็นอย่างเขาเราจะทำอย่างไรใช่ไนี่คือคนที่ไม่ไม่เข้าวัดไม่มีความเมตตาปราณีจะจะคิดแบบ น, นี้จะเอาแต่ได้อย่างเดียวจะไม่ชอบทำบุญจะเอาแต่ได้ตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตเพราะว่าไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในไปมีแต่ทรัพย์ภายนอกตายไปก็เอาทรัพย์ภายนอกไปไม่ได้ไปก็ไปแบบขอทานก็ต้องมาคอยมา ขอส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นถ้าเราอยากจะปล่อยเงินกู้ก็ปล่อยแบบไม่คิดดอกครับดูแถมดอกก็ได้อ่าถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าจะได้มีไหมไม่มีนะครับ อ, อย่าถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ <c oughs> ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธาธุ